ไอ้ตั้งใจได้มากน้อยแค่ไหนหละ่ะศาสนาพระนิพพานในปัจจุบันอาการนี่เทินเนี่ยทํายังไงจะได้เจ้าจของไอ้ตั้งใจมากน้อยแค่ไหนพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยต้องการพระนิพพานในปัจจุบันอาการนี่เทินเนี่ย ต้งงานไปมากแค่ไหนตั้งสร้างเหตุมากแค่ไหนเดินเข้าไปพอได้ขึ้นได้ก้าวได้ก้าวขาพอได้ยืดขาจะหน่อยบลฮะมีแต่ว่าอยู่กะที่ ซ, ซื้อยังม่ทันได้ก้าวไปซ้ำซรายก็ยังม่ทันได้ก้าขวขาก็ยังไม่ทันได้ก้าวผูจะเดินไปหาพระนิพพานเนี่ย ว่าเอาแต่ปากก็ได้ได้ก็ได้แต่ปากว่าเอาแต่ปากการที่จะเดินไปถึงอันนั้นจริงๆจะต้องทีงใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงไม่หลอกแหละไม่เหลว ไ, ไหลมันตั้งอยู่ที่ใจมันตั้งอยู่ที่ใจนะ มันจริงจังอยู่ที่ใจมันตั้งอยู่ที่ใจมันจริงจังอยู่ที่ใจไม่หลอกตัวเองแม้ขณะจิตเดียวคิดว่าจะทำคิดว่าจะทำต่ไม่ได้ทำคิดว่าจะนั่งแต่ไม่ได้นั่งคิดว่าจะเดินแต่ไม่ได้เดินคิดว่าจะนั่งให้เต็มที่แต่ก็นั่งได้ไม่เต็มที่มีสิ่งอื่นมนาะดึงไปมันหลอกไป ว่าจะเดินให้เต็มที่เดินยังไม่ได้เพรานะสามเก้าเนี่ะถูกสิ่งอื่นดึงไปลากไปเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าหลอกตัวเองไม่ตั้งใจทำให้สมกับที่ตั้งใจว่าว่าจะเอาว่าจะเอาสิ่งเหล่านี้มันตามมาสิ่งที่เป็นมาน่มันคอยมาขัดแย้งกับเรามันมีตลอดล่ะเรื่องของพยามาน่ะ มีตลอดคอยที่จะมาฉุดระไวรั้งระไวเห็นไหมพระพุทธเจ้าตอนที่จะออกบวชพญามารมันพเพลว่าก่อนแล้วพอออกไปนอกพ้นกำแพงฟัดไปนิดหน่อยมันขวางแล้วเจ้าชายอย่าเพิ่งไปอีกเจ็ดวันท่านจะได้สมบัติมหาจากักรพรรดินุ่นเด้ออีกเก็ดวันจะได้สมบัติมหาจากักรพรรดิอย่าออกไป ความเป็นอยู่ข้างนอกเนี่ยทุกยากลาบากกันดานมากท่านจะออกไปท่านอยู่ในรั้วในวังเนี่ยสะดวกสบายที่สุดแั้วแหละมัหลอกเนี่ยพญามารมา ข, ขวางไว้พญามารมา ข, ขวางไว้ไอ้สิ่งที่มันคอยดึงเราไว้เหนี่ยวเราไว้รั้งเราไว้กันนันพญามารทั้งนั้นแหละแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็ น, ปนมารดอกเราเห็นว่ามันเป็นมิตรอืมพอมันพูดแป๊บก็เคลิ้มเยื่มอมเกาะมันแหละ แต่พระพุทธเจ้าบารมีท่านถึงเลยสมบัติมหาจากกักรพรรดิเราไม่ต้องการท่านจงหลีกไปเราต้องการพระสัมมาสัมพธทยญาณเพื่อหวังจะช่วยสัตว์โลกทั้งหลายพ้นจากทุกข์ท่านจงหลีกไปยามานก็สู้ไม่ได้ละยามันก็หลีกไปถึงกระนั้นกรตามก็ยังคิดตามว่า ไม่ขณะจิตใดที่ท่านปล่อยช่วงให้มันออกนอกลูนอกทางไปเนี่ยเราจะคอยแทรกเราจะคอยเข้าไปขัดไปขวางไอ้ตรงนั้นแหละตรงช่องนั้นแหลอะออย่าคิดว่ามันจะหยุดนะมุทิเจ้าออกไปแล้วเนี่ยอ้าท่ากันเลยคอยดูใครจะชนะท่านจะชนะเราหรืเราจะชนะท่านลงท่านปล่อยช่วงขณะจิตของท่านให้เกิดช่องว่างเมื่อไหร่เราจะเข้าไปขัดขวางทันทีเห็นไหม พญามานันในสุทรพงศ์ก็ไปบรรลุธรรมก่อนที่จะได้บรรลุธรรมวันนั้นแหละ ว, วันเพ็ญเดือนหกตอนหัวค่าเห็นไหมก่อนที่พระพุทธเจ้าก่อนที่พญามานยังไม่ไปเนี่ยเทยวดาทั้งหลายเนี่ไปห้อมล้อมเต็มพอพญามานไป ต่อกรเขาพุทธเจ้าเท่านั้นแหละโอ้เทวดาในะ่จักเปิดหนีไปไหนหมดเทวดากลัวพญามาณพญามานก็คือท้าวัตสวดีมานั่นแหละอยู่โน่นสวรรค์หกชั้นที่หกน่ะเนาะนั่นนะสวรรค์หกชั้นยังเป็นที่อยู่ของมานั่นนะ่ะเราดูคิดดูให้ดีผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถได้ไปเสเวยผลในสวรรค์หกชั้น ถ้าวาสวัส ด, ดีมาเนี่ยคุณดูอยู่สวรรค์หกชั้นนั่นน่ะยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ยังมาคอยขัดขวางพุทธเจ้าอยู่ถ้าปล่อยพุทธเจ้าได้บรรลุธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนคนจะดึงคนออกจากโลกไปนิพพานมากมายเยอะแยะคนจะไม่อยู่ในอำนาจของพญ า, า ม, มารจะไปขวางเอาไว้ไปขวางเอาไว้ ไปขวางเอาไว้บุตรเจ้าท่านก็นตั้งใจหนักแน่นมั่นคงท่านต่อสู้พยามาณสําเร็จ ต, ต, ต, ต, ตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินชนะพยามาณตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินด้วยบุญญาบา ร, รมีไปห้อมล้อมพระองค์เอาไว้พญามารจะปล่อยอาวุธร้ายแรงขนาดไหนไปเพื่อที่จะไปทำลายจิตใจร่างกายของพระองค์ก็ทำลายไม่ได้ ในที่สุดก็ตู๋พากองทัพช้างไปด้เต็มพืชไปหมดมีแต่กองทัพช้างอาวุธอาวุธครอบมือมีเป็นปุคลาธิฐานเป็นปุคลาธิฐานในทสุดสู้ด้วยอาวุธก็สู้ไม่ได้ชนะไม่ได้อาวุธร้ายกาดร้ายแรงยิ่งกว่านิวเคลียร์นิวตอนประมนูทุกวันอีก ปล่อยไปเท่าไหร่ก็สู้บารมีของพุธธ้ติจ้าไม่ได้ไหนสูขเก็เลยไปกล่าวตู่ด้วยเล่ด้วยอุบายว่ารัตนบัลลังที่ท่านนั่งอยู่เนี้เป็นของเราอืเรามีคนของเราเป็นพยานนั่นเลยยามานไปอ้างเรามีคนของเราเป็นพยานท่านมีใครเป็นพยานท่านไม่มีใครเป็นพยานอรัตนะบัลลังนี้เป็นของเราเกิดขึ้นโดยบุญบารมีของเรา เรามีคนของเราเป็นพยานพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงตรัสว่าเป็นของเร า, เ, าเกิดขึ้นโดยบุญญาบารมีของเร า, เาพูดยังไม่ขาดคำกันแม่ธรณีพผลขึ้นมาพูดขึ้นมามีเราเป็นพยานแน่มารับสมางมีเราเป็นพยานอ๋อแม่ธรณีแม่ธรณีเป็นพยานนี่ แค่น้ำที่ท่านทำบุญแล้วท่านกรวดอุทิตลงพื้นปัตภีนี่ก็แค่ติดแค่ติดที่ปลายผมนิดหน่อยท่านเองก็เลยเอาปลายผมเอามวยผมมาบีบบีบบีนี่น้ำเนี่ยเป็นน้ำที่อุทิตลงสู่เป็นไปจักพยานสู่พื้นพระธรณีเนี่ยบีบบีบีบนิดหน่อยท่านหลยโอ้น้ำทะลักมาปันกับคลื่นซีนามิอ่ะพัดพังพัด ไอ้พวกกองทัพพญามารเนี่ยหนีเลิดเปิดเพล่งแตกกระเจิงตายจมน้ําอยู่ก็มีน้ำทับน้าท่วมหนีก็ตะเลิดกระเจิดเปิดเพล่งไปหมดพระองค์ชนะตั้งแต่หัวค่านี่ชนะพญามารสลายพระองค์ก็ได้บรรลุ ธ, ธรรมปุเพนิวาษานุสติญาณตั้งแต่หัวค่าไปทํากลางก็ได้จดตุปปัจายานไปยามสุดท้ายแห่งราตรีก็ได้ อาสวัคยายานนี่เราพูดถึงพญามานน ะ, ะมันมาคอยขัดขวางคุณงามความดีเราฟังพระพุทธเจ้าเป็นอุปมาแล้วเราก็มาดูเราอ่ะมานอะไรบ้างที่มาคอยขัดขวางเร า, เ ท, าทั้งที่เราตั้งใจว่าจะเดินไปสู่พระนิพพานนะ่ะแต่มันขวางเอาไว้มีอะไรบ้างเราดูทุกคนมาสำรวจดูมีพญามานตัวใดบ้างมันมาขัดขวางเราเนี่ย เยามันที่เป็นกองทงกองทับกองอะไรที่ท่านตัดเอาไว้ท่านพูดเอาไว้นะ่ะเป็นปุคคลาทิฏฐานอืมเป็นปุคลาธิฐานถ้าพูดโดยทำ ม, มาทิฐานคือกิเลสในจิตในใจนั่นแหละมันโผล่ก็มามาขัดแย้งกิเลสมันโผล่ก็มาขัดแยง้าาแยงในใจอ่ะทีนี้หลังจากพระ อ, องค์บรรลุธรรมแล้วนะพระ อ, องค์ก็ วนเวียนอยู่ใกล้บริเวณต้นมหาโพน่อ่ า, อาสัปดาห์ที่แรกไดสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามสัปดาห์ที่สี่สัปดาห์ที่ห้าเนี่ยสัปดาห์ที่ห้าหลังจากพระองค์ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุโทโธแล้วนะพระองค์ยังไม่ได้ลุกไปไหนยังไม่เดินไปไหนยังไม่ออกไปไหนอ่ายังอยู่ในบริเวณนั้นแหละมีพยามารไปไ ป, ไปจน ไปมีพยามานพยามานตอนนั้นะจญไม่ได้แล้วพอหลังจากรงได้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยยังปล่อยยังให้พยามานไปแก้แค้นัอีกลูกสาวพยามานนางตันหาหนางราคาอนาลีตั้งแ้่ที่ตอนนั้นจิตของพระองค์ก็ผ่านไปแล้ว <c oughs> เป็พระสัมมาสัมพุท ธ, ธาไปแล้วพวกมารต่างๆราคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไปทำอะไรอะไรท่านไม่ได้แล้ว ก็ไปเกลีย้ยไปกล่อมไปทำลายท่านอีกในทสุดตันหาราคาอารตีไปอ่อนวอนทุกอย่างจะอำนวยความสุขให้ทุกอย่างมอบกายให้พระองค์ทุกอย่างเราไม่ต้องการจงไปพน้นว่าแล้วว่าเล่าว่าแล้วว่าเล่าเราไม่ต้องการพากันหนีไปพน้นเราไม่ต้องการในสุ่วุด ไปทำอะไรพระองค์ก็ไม่ได้เอามือไปแตะไปต้องร่างกายของพระองค์ก็ไม่ได้หมดโอกาสแล้วสิตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปไม่มีใครสามารถจะทำลายจิตใจของอเจ้าชายได้อีกแล้วบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วนี่เห็นไหมยามานยามานมันพยายามมาขัดขวางเพื่อมให้บรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วมันก็มาขัดขวางอีกอมันไม่รู้ว่าพอง่าบรรลุดอก มันมาขัดขวางอีกมันก็ยังไม่ปล่อยนะมันยังไม่ปล่อยอไอตัวทวสวดีมาเนี่ยยังไม่ปล่อยนะมันจะมีมารมาคอยขัดขวางอยู่เรื่อยแม้แต่ตอนพระองค์จะพระนิพพานพญามารก็ยังมารัตนาไใช่ไหมพญามารมันยังไม่ปล่อยด้วยไดช่วงตรงไหนได้พลอย อ, อนุลมตรงไหนได้มันคอยเอาช่องทางตรงนั้นแหละพญามาร รงก็ประกาศศาสนา45พระพันษาร45ปีบรรลุธรรมตั้งแต่อายุเท่าไหร่อายุ29ออกบวช30 35อา29 30 35ไปทำบำเพ็ญทุกกรกริยาเป็นเวลาถึง5ปี6ปีไม่บรรลุ หลังจากนั้นไปแล้วผ่านไปแล้วกับปีที่หกอายุสามสิบห้าเนี่ยได้บรรลุเป็นตรัสรู้เป็นพ ร, ระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นแล้วก็ประกาศพระศาสนาไปอีกสี่สิบห้าปีแปดสิบพอดีมสี่สิบห้ากับสามสิบห้าเป็นแปดสิบพอดีอายุแปดสิบปีพอดีเมื่อก่อนนั้นพอองค์เคยตั้งพระไทยไว้ว่าตราบใดภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกา ยังไม่เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงพระธรรมอวินัยของพระองค์ยังไม่แพร่หลายไปตราบใดพระองค์จะไม่ปรินิพานพระองค์เคยตั้งเอาไว้ตั้ ง, งพระอริยไถ่เอาไว้ตราบใดพระศาสนาของพระองค์ยังไม่แพร่หลายไปเพียงใดภิกษุภิกษุกษณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่แน่นหนามั่นคงเพียงใดตราบใดพระองค์จะไม่ปรินิพานพออายุครบแปดสิบปีแล้ว ภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาก็แน่นหนามั่นคงพระธรรมในไหนก็แพร่ไพศาลกระจายไปทั่วบริษัททั้งสภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกาแน่นหนามั่นคงมสมควรที่เราจะเข้าสู่ปณิพานได้แหละตอนนี้พญามานก็มามาในมนแลแหละพอองค์เคยตั้งดำฎไว้อย่างนี้ตอนนี้ภิกษุภิกษุณีบาสุบาสิกา ข, ขององค์แน่นหนามั่นคงแล้ว พระองค์จะประกระาศศาสนาให้เหนืน่อยๆไปทําไมเข้าสู่มหาปรนินญญาเฉยๆพระองค์ก็เลยรับปากแต่ก่อนที่จะรับปากนะพระองค์พยายามทำโอภาสนิมิตให้พระนรินทราบถึงสิบหกครั้งนะคําว่าโอภาสนิมิตก็คือแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งให้พระนรินทราบพิพย า, ยามานก็พยายามไปบังใจของพระนรินอีก ท, ทุกระยะเหมือนกันนะไม่ให้พระนรินทราบ ท่านแสดงให้พระนรินทราบเพื่อที่จะขอให้พระองค์มีชีวิตอยู่ร้อยยีสิปีว่างั้นเถะหนึ่งกับร้อยยี่สิบปีหนึ่งกับกับอายุกับปะตจุนี้ท่านว่ากับอายุกับปัอายุคนกับอีกอันหนึ่งเป็นกับของอายุของวัตถุอายุของโลกกับกับกับอย่างหนึ่งกับอายุของโลกกับอย่างหนึ่งกับอายุของคน หนึ 1> 1่งกับมา120ปีพระอนอพระนนก็ถูกมารขวางไว้แ ล, ล้ว ล, ล, ล, นะลึกไม่ได้สักครั้งแหละสิบหครั้งนะลึกไม่ได้สักครั้งแม้แต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ปาวาลเจดีเนี่ยพระองค์ก็แสดงโอภาษีมิตอีกปาวาลเจดีอันเป็นปีที่แปดสิบนั่นแหละพระองค์ก็แสดงโอภานิมิตอีกเพราะพระองค์เคยตรัสว่าใครก็ตามที่เจริญ ที่เจริญอิทธิบาทาที่เจริญอิทธิบาทาชันิธิบาทวิริยิทธิบาทกิตติบาทวิมังสิทธิบาทาเจริญตั้งปณิธานเจริญอิทธิบาททั้ง4ี่โดยยิ่งสามารถมีชีวิตอยู่120ปีก็สามารถอยู่ได้ พระองค์สามารถเจริญได้อิทิบา ท, ทั้งสี่เนี่ยแต่ถ้าแต่พระนนท์อนอนท์ก็ถูกมันขวางเอาไว้แล้วลึกไม่ได้จําไม่ได้ไม่ได้นิมนต์สักครั้งทีิบาว่าเลเจดีก็ไม่ได้นิมนต์เพรหลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็รับคมรัตนาของพยายมารแล้วก็ปรลงพระชนมายุสังขารคําว่าปรองพระชนมายุสังข า, า ร, ราขาก็คือ ตั้งกำหนดวันว่าพระองค์จะนิพพานจะปรินิพานหลังจากนี้ไปอีกสามเดือนเราจะปรินิพานพยมามารมารัทนาและพระองค์ก็รับปากเออพยามารท่านไม่ต้องเดือดร้อนดอกหลังจากนี้ไปอีกสามเดือนอวันเพียรเดือนหกอีกสามเดือนข้างหน้านัะเราจะปรินิพานตอนพรงรับปากพยามาร น, นั้นะมันมันเป็น เดือนเดืนเดือนสามมันเพลินเดือนสามบอเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกมันเพลินเดือนสามจากนั้นไปอีกสามเดือนก็คือวันเพลินเดือนหกจะปริณิพานเพราะหลังจากรับอาราธนาของปยามาลและปรลงพระชนมายุสังขารเท่านั้นแหละทำให้แผ่นดินไหวแผ่นดินไหว มีลมมีพายุมีแผ่นดินมีใบไม้ปลิวว่อ น, นพระนรนได้เห็นแปลกประหลาดอาจารย์ก็เลยถามพระองค์บอกว่าเหตุแผ่ น, ผนดินไหวนะมีอยู่แปดอย่างตันวะพระองค์ก็เลยตรัสให้ฟังว่าเหตุแผ่นดินไหวมีแปดอย่างพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ประสูติหนึ่งแผ่นดินไหวตักรู้หนึ่งแผ่นดินไหวพรงพุชนายุสังขารหนึ่งแผ่นดินไหว แล้วก็บปรนิพานหนึ่งแผ่นดินไหวแล้วก็ผู้มีฤทธิ์บันดาลหนึ่งกับแผ่นดินไหวลมกำเริบนี่กับแผ่นดินไหวมีเป็นเท่าไหร่ละเป็นหกเป็นเจ็ดแปดผู้มีฤทธิบ์บรรดาลแผ่นดินไหวอะไรนะอีกสองอย่างจําไม่ได้ นี่เป็นเหตุอะ้เป็นดินไหวพอพระรูปเจ้าเล่าอย่างนี้พระน้องก็เลยระลึกได้โอ้พระรูปเจ้าท่านคงจะรับโปร่งประชนมายุสังขารแล้วเนี่ยมาระลึกได้เพราะระลึกได้ตอนนี้เองพระรูปเจ้าโปร่งพระชนมายุสังขารก็เลยขออาราธนาใร่งทรงอยู่ว่เรากลับคําไม่ได้ะเรารับคำอาราธนาของพญา ม, มารแล้วเรากลับคําไม่ได้ เพราะฉะนันอีกสามเดือนข้างหน้าเราจะต้องปริผ่านเรากลับคําอีกไม่ได้ที่เราพูดถึงพยามานนะพยามานมันจะมีตามต่อนเนื่องมาตลอดนะมันมีทั้งภาคมีทั้งภาคปุคลาธิฐานแล้วก็มีทั้งภาคธรรมาธิฐานนะแต่ส่วนมากจะมาภาคภาคปุคลาธิฐานคืออุปมาอุปไมในคำพูดคําสอนเป็นปุคลาธิฐาน แท้จริงพระ อ, องค์ก็คงมาพิจารณาแล้วแหละอายุไขของพระ อ, องค์ก็พอควรแก่นั่นแหละแล้วก็บริษัทบริวารก็พร้อมสมบูรณ์แล้วที่จะเป็นตุกแผ่นแ น, น่นหนาะมั่นคงแล้วสมควรที่เราจะนิพพานได้นั่นแหละหมันก็ตั้งพระทัยว่าอีกสามเดือนเราจะนิพพานเขาก็เลยยกพยามานมาใส่เพื่อมันเข้ากันหรือพยามานตัวจริงจะมีจริงเราก็ไม่เห็นก็พระ อ, องค์เป็นคนเล่า แต่พวกเรานะ่มีจริงๆแหละพวกเราพยามันเราเนะี่ยมีจริงๆเราดูเราจะเห็นเลยแสิ่งใดก็ตามความนึกความคิดใดๆก็ตามที่มักขวางข้อปฏิบัติของเราตั้งใจใช้ทานมีสิ่งมาขัดขวางเนี่ยนั่นะสิ่งขัดขวางนั่นแหละพยามันแท้ๆแหละ ตั้งใจจะรักษาศินสินห้าสินแปดแม้แต่บอบสต์ ส, สินเนี่ยเออเราจะไม่ครบตลอดภาษาเสแล้ววันนั้นจะต้องไปนู้นจะต้องไปนี่อ้าวเดะมีสิ่งมากขวางแล้วนะสิ่งที่เป็นสิ่งมักกิตมาขวางนั่นแหละที่เรียกว่าพยญญาอานี่เรามีแน่แน่แหละมีในจิตในใจของเราอ่ะคือจิตอ่อนจิตอนุโลมผ่อนผันให้กับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องได้อย่างง่ายได้ จะอยู่จ ะ, ยจะไปจะทำจะเดินจะนั่งจะอะไรท่าไหร่ยไม่คงที่ไม่เปลี่ยนไปตามความนึกความคิดที่ตั้งเอาไว้ตั้งอย่างนี้เอา้าทะเลทะลายไปอย่างนั้นเหมือนอย่างที่ว่าแหละว่าจะนั่งสักครึ่งชั่วโมงนี่นั่งได้สองสามนาทีมันมากซิบแล้วโอ้ยทุกข์ยากลาบากเนี่ยยุงเจาะลาบากเลยจุกๆุกติก๊กๆ งดงดงิด้งี้ไอ้าวลุกไปใอยยังไม่ได้ให้กนาทีอะไปแล้วว่าจะเดินสักครึ่งชั่วโมงว่าจะเดินให้เหนื่อยสักครั้งหนึ่งเหาะเไปเหาะมาไม่รู้กี่ก้าวแหละพยายามมากระซิบละกระซิบในใจโอ้เดลืให้ลําบากทำไมเราไปนั่งดีกว่าไ้ยสบายกว่าใจสงบเร็วกว่าไปแล้วไปนั่งแหละนั่งได้สักหน่อยหนึ่งก็มันมากระสิบอีกแล้วยังอันนู้นยังไม่ทําอันนี้ยังไม่ทําอันนู้น โอ้ยดึกมากแล้วโอ้ยจะได้เวลาทํานั้นแล้วจะได้เวลาทํานี้แล้วอ้าวลุกไปจ่อยไม่ได้อะไรสักอย่างนี่พยามานมีแด้ๆแหละดูไปที่ไหนไม่เห็นหรอกดูไปที่ใจของเราเนี่ยพยามานอยู่ที่นุ่นแหละสิ่งที่มากีดมากัน้นมาขวางคุณงามความดีที่เราตั้งเอาไว้เพื่อไม่ให้สมประสงค์เพราะฉะนั้นเราตั้งเอาไว้ว่าเราปรัด ทนาพระนิพพานในปัจจุบันนาการหมายถึงตอนไหนตอนอัตภาพนี้ทั้วเขาเรียกปัจจุบั น, นการเราได้เริ่มขยับเท้าขวาซ้ายบ้างแล้วยังก็จะเดินก้าวเข้าไปไม่งั้นเราก็ว่าแต่ปากเสื อ, อเป็นข้อคิดอีกท่านหนึ่งเหมือนกันเป็นข้อคิดได้ทั้งพระเราทั้งโยมเรานั่นแหละอสิ่งหนึ่งที่เราพอจะดูได้ว่า เออคนนี้ตั้ง อ, อกตั้งใจเป็นปลาก็ตามเป็นโยงก็ตามเป็นชีเป็นขาวก็ตามผู้ที่ตั้ง อ, อกตั้งใจสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายคือจะต้องเป็นผู้สำรวมระมัดระวังสำรวมกิริยาสำรวมวาจาสำรวมกิริยากายอืเดินต้องสำรวมระมัดระวังจะเหยียบมดเหยียบแมงจะอะไรทต่ะอะไร สวยไม่สวยงามจะไม่สวยไม่งามขาดความสํารวมระมัดระวังกิริยาคํา พ, พ, พูดพูดสเปเระพูดพร้อยพูดไปทั่วพูดแบบไม่มีหลักอะไรที่จะเอาจําเป็นหรือไม่จําเป็นพูดพร่อยเป็นเหตุเสียงสําคาญ ร, รบกวนนี่ไม่มีแหละขาดความสํารวมระมัดระวังขาดความสํารวมกายขาดความสํารวมว่าจาขาดความสํารวมกาย ก็มันแสดงกิริยาวไปทางกายขาดความสำรวมทางวาจาร์ครับแสดงสัพเพหระไปทางวาจาถ้าคนที่สํารวมใจด้วยคนที่สํารวมใจนั้นสิ่งที่ตามมาจะต้องสํารวมกายด้วยสิ่งที่ตามมาจะต้องสํารวมวายจาด้วยเพราะมันส่อมันมันส่อมันฟ้องกันทําไมถึงต้องสํารวมเพราะเสียดายเวลาที่กําลังทํางานอยู่ข้างในโย จะเอาเวลาที่ไหนไปพูดในเมื่อเราภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะเอาเวลาที่ไหนไปคุยจะเอาเวลาที่ไหนไปเล่นจะเอาเวลาที่ไหนไปคึกไปขนองไปอะไรอย่างอื่นไม่มีเพราะอันหมดแต่สำรวมอยู่ข้างในนี่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งคอยบอกคอยเตือนคอยอมันเป็นเป็นมันเป็นมาตวัดเลยแหละดูให้ดีก็แล้วกันมันเป็นมาตวัดคนเลย ถ้าไม่มีมาศตุลมาศวัดไปแล้วไม่มีตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันจะตั้งใจดําเนินศึกษาปฏิบัติไปได้ยังไงในสุกมันก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปวันๆท่านั้นเองเขาก็ปล่อยไปวันๆเราก็ปล่อยไปวันๆตั้งความปรารถนาจะได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันจะได้ยังไงเท้าเรายังไม่ได้ก้าวเข้าไปเลยท้า ย, ยังไม่ก้าวเข้าไปขวายังไม่ได้ก้าวเข้าไปเลยยังยืนอยู่กับที่เลย นอกนั้นก็ยังไม่แน่ว่าจะหันหลังให้อีก น, นอกจากยืนอยู่ก็ที่แล้วยังไม่แน่ว่าจะหันหลังให้ทางที่จะไปด้วยซ้ําไปเช่นอย่างหันเช่นอยู่โน่นจ ะ, จะเดินไปน้องอ้อเนี่นะสมนะสมุตินะสมองนิพานาอยู่น้องอ้อเนอนะแต่หันหน้าไปหากรุงเทพเนอะหันหน้าไปหากรุงเทพเนันอะถ้าจะก้าวก็ต้องก้าวไปนน่นตัวหันหน้าไปทางนน่นนะ่ะ ก้าไปเท่าไหร่หนึ่งเก้าห่างไปอแล้วสองเก้าก็ห่างไปแล้วสามเก้าก็ห่างไปแล้วห่างห่างอะไรห่างหนองออดไอ้ที่ตั้งใจว่าจะไปมันห่างไปเลยห่างไปเลยห่างไปเลยนี่เป็นข้อออกมาเป็นข้อเปรียบเทียบให้พวกเราเอามาเปรียบเทียบเทียบวัดกับตัวเราน่ยแท้ที่จริงคุณงามความดีคําว่าพระนิพพานพระนิพพานคือยอดของบุญยอดของความสุขที่ยิ่งใหญ่ยอดของบรมสุข เราพูที่เจ้าท่านเชียงทรงตรัสว่าประมังสุขังประมังสุขังเป็นความสุขอย่างยิ่งยอดความสุขอย่างยิ่งยิ่งยวดเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมเป็นความสุขอย่างไม่มีความสุขอย่างอื่นมาเทียบมาเท่า <stag> เราพูดถึงแล้วพวกเราก็อยากได้อยู่อืออยากได้อยู่อยาก ไ, ได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละไอ้ความอยากได้มันก็หาขาดหายไปแล้วแหละ อย่างอื่นก็มาแทนแล้วอยากได้แป๊บเดียวแหละก็ตกหายไปแล้วละ่ะพระอะไรอะไรมันตีตกกิเลมันตีตกแล้วมันปัดตกไปกิจทวีไปไม่รู้ละ่ะไอความอยากได้นิดเดียวนะ่ะก็เหลือแต่ความเฉยเฉยความว่างเปล่าจากความอยากได้จากนั้นไปแล้วก็คือไปหาเรื่องไปหาสิ่งที่มันมันยุยงให้ทํากิเลมันยุยงให้ทํามันยุยงยให้อยากน้ดมันยุยงให้อยากอยาสารพัด แล้ก็ไปตามมันทําไมเราถึองไปตามมันเพราะมันไปตามมันแล้วมันง่ายไปตามเกลียดแล้วมันง่ายมันยุให้รักมันยุให้ชังง่ายปันญยังยุให้โกรธยุให้เกลียดยุให้อิจฉาริษยายุให้ติฉินนินทาว่าร้ายซึ่งกันและกันมันยุแป๊บเดียวเนี่ยพร้อมที่จะเดินตามหลังมันต่อยต้อยต้อยต้อยต่อยต่อ ไอ้ที่เคยทิดเอาไว้ตั้งเอาไว้ในใจเนี่ยมันเลือนจางหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้และอเพราะฉะนั้นถึงว่าแหละยังยืนอยู่กับที่นอกจากยืนอยู่ก็ที่ยืนอยู่กับที่แล้วไม่รู้จะหันหลังให้เขาเปล่าไม่รู้ถ้าหันหลังให้ก็นู่นอ่ะจะไปน้องอ้อเนี่ยหันหน้าไปกรุงเทพนี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าไปเท่าไหร่ห่างน้องอ้อไปเลยห่างไปไม่ใช่ใกล้เข้าไปเรื่อยนะห่างก็ไปได้ห่างก็ไปเรื่อย นี่เป็นข้ออุปมาอมพอเป็นนิสยัยพอเป็นปัจจัยพอเป็นนิสยัยพอเป็นปัจจัยก็ว่าไปงั้นแหละพอเป็นนิสยัยพอเป็นปัจจัยแต่ถ้าอักใจเราไม่ปั ด, ดิ่งเพื่อที่จะเอาจริงๆนี่มันไม่ได้หรอกว่าเอาเฉยๆเพราะเราไม่ได้สร้างเหตุที่เพียงพอผลชะไหนมันจะมาปรากฏสมความปรารถนาของเรา เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนผู้ยังมีหวังผู้ยังมีความปรารถนาผู้คิดว่าจะสร้างอะไรให้สมหวังเราต้องคิดด้วยเราต้องถามด้วยเราต้องทำเหตุให้พอเสียสละทานาให้บุญเราก็ต้องใช้เสียสละเพราะชุมชนหมู่คณะเราอยู่ด้วยการเสียสละเยาวประสงชาอามาก็ต้องไปบินธบาตไปบิณทบาทนี่ต้องอาศัยผู้เสียสละใส่บาทเข้ามา ทานข้าวทานน้ำทานกับทานแกงทานของใช้จตุปจจัยทั้งสี่ได้อาศัยผู้พูดทานได้อาศัยผู้ทานพระเราไม่ได้ไปหาเองไปแล้วเขาก็ทานมาทานข้าวทานน้ำทานยุกทานยาทานผ้านุ่งผ้าห่มจากนั้นแล้วก็ทานที่อยู่ที่อาศัย ในวัดในวานที่อยู่ที่อาศัยเขามาสร้างมาทำเขามาตั้งทุนนิธิเอาไว้เขามาตั้งบุญนิติเอาไว้เขาทำบ้างเราทำบ้างส่งเสริมกันไปสนับสนุนกันไปก็ช่วยกันทานข้าวทานน้ำทานหยุกทานยาทานผ้านุ่งผ้าหม่มสมบงญจีวร ทานที่อยู่ที่อาศัยทานทุกอย่างอะไรที่จําเป็นเกี่ยวกับความเป็นอยู่นี่ก็มีผลมีในสงก็อย่าไปหยุดอยู่แค่ทานแค่นั้นตั้งใจจะมารักษาสินอีสินห้าก็รักษาให้มันคงเข้าไปสินแปดสินอุโบสถถ้าสินหนึ่งวันหนึ่งกับคืนหนึ่งง่ายมากมันไม่เห็นยากเย็นเลยตั้งแใจรักษาเท่าสินห้าก็ตั้งใจรักษาจริงจังสินแปก็ตั้งใจรักษาจริงจัง ตั้งใจรักษายัางไงถึงจะได้ผลได้อา น, นิสงส์ตั้งใจรักษาด้วยสัจจะวยจาตั้งใจ ร, รักษาด้วยวิรัตด้วยงดด้วยเวน้นตั้งใจรักษาด้วยงดตั้งใจงดตั้งใจเวน้นเช่นอย่างมันมีโอกาสที่จะฆ่าแต่เราไม่ฆ่าฆ่าสัตว์เนี่ยฆ่าสัตว์ก็ตามฆ่าคนก็ตามฆ่าสัตว์วนมากพวกเราฆ่าสัตว์ก็ฆ่าเพื่อเป็นอาหาร ในเมื่อเราตั้งใจรักษาศีลเรามีโอกาสที่จะฆ่ามันแต่เราไม่ฆ่าจากนั้นแล้วเราก็มีเมตตาเห็นพวกสัตว์พวกปลาพวกอะไรตัวอะไรเนี่ยนะมันดิ้นมาบนหนทางเนี่ยเราเห็นแล้วโอ้จะ้จับไปก็ได้ต้มได้แกงตำน้าพริกอะไรก็ได้โอ้เรารักษาศีลทาไม่ได้เราต้องตั้งใจงดตั้งใจเวียนมีเมตตาด้วยจับมันไปปล่อย นี Savior, um, chant, blades, s, ่เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะปานาแต่ไม่ปานามีโอกาสที่จะที่จะฆ่าสัตว์แต่ไม่ักแต่ไม่ฆ่าสัตว์มีโอกาสที่จะลักทรัพย์แต่ไม่ลักเพราะรักษาศินมีโอกาสที่จะผิดลูกเขามีอะไรแต่ไม่ทําเพราะกลัวจะผิดสินคนนี้คนนี้ใช้ได้มีผลมีอนิสงส์ในการรักษาสินเพราะตั้งเจตนาวิรัติหกเว้นมีโอกาสที่จะพูดปดแต่ไม่พูดปด พูดปดไม่กี่คำเองนได้บำเน็จได้รางวัลได้อะไรจากคนที่เขาจ้างให้เราพูดปดเช่นอย่างเป็นพยานเท็จเนี่ยมีโอกาสที่จะเอาแต่ไม่เอาโอ้ผิดศีลไม่เอามีโอกาสที่จะกินเหล้าเคยกินบ้างเคยติดใจบ้างอะไรบ้างพร้อมที่จะรินพร้อมที่มีคนพร้อมที่จะรินให้จะยื่นให้แต่ด้วยเหตุที่เราตั้งใจรักษาศีลเรามันกินถ้ากินแล้วก็ผิดศีล ไม่ประพฤติผิดพระม่จันทระสินแปดนะศินข้อสามสินข้อห้าหนะศินข้อห้าเกี่ยวข้องกับผัวกับเมียของตัวเองไม่เป็นไรสินข้อห้าแต่ศินข้อแปดเนี่ยศินแปดเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ชายไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงไม่ได้อด้วยเมธุนธรรมเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผิดสินด้วยจับ ด้วยรูปด้วยขลัาด้วยอะไรต่างๆเนี่ยไม่ถึงกับเมตุนธรรมจริงๆก็ผิดศีลก็ผิดศีลกับผู้ชายกับผู้หญิงเป็นสามีเราก็ตามเป็นภรรยาเราก็ตามทาปั๊บผิดศีล น, นี่ถือถ้าถือศีลแปดแต่ถ้าถือศีลห้าไม่ผิดสามีภรรยาของเราไม่เป็นไรแต่ถ้าสามีภรรยาของคนอื่นผิดศีลศีลขาด นี่มีโอกาสมีโอกาสอื้ออำนวยที่จะทำให้เราผิดศีลแต่เราไม่ทำนี่สำคัญมีความสาคัญอยูอ่วิการละโพชนาะหิ้วรักษาศีลแปดตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นใหม่นี่เราต้องไม่รับาทานอาหารไม่รับทานอาหารในยามวิการยามวิการก็ตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงอรุณขึ้นวันใหม่ ถ้านเรียกว า, ยางวิการวิการคำว่าวิการในที่นี้ก็คือเป็นเวลาที่ไม่เหมาะที่จะรับทานอาหารแต่ถ้าไปรับทานอย่างอื่นอันนี้ไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรเล็กต่ซอยไม่เป็นไรนมไม่เป็นไรเล็กรต่อยมันก็อาหารนั่นแหละนมก็อาหารนั่นแหละอันนูนอันนี้เอ้ยอาหารว่างไม่เป็นไรพวกผลไม้อันนูนอันนี้ไม่เป็นไรมันก็อาหารนั่นแหละ รับก็ไปเพาขาดแน่บางทีกิเลสเจ้าของเนี่ยมันไปอนุโลมให้กับเจ้าของเองสินขาดนี่คือคนที่มีจิตใจอ่อนแอตั้งใจรักษาก็ไม่รักษาให้เด็ดขาดจริงจังรวมไปถึงคนที่ไม่รู้จักองค์ประกอบสินของตอนนนะัวนอีกนะเพราะฉะนั้นสินแปดเนี่ยต้องศึกษาด้วยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่จนถึงแปดมีข้องดเว้นอะไรบ้างต้องศึกษาเข้าใจเราศึกษา ก็ตามเราไม่ศึกษาก็ตามเรารู้ก็ตามเราไม่รู้ก็ตามนี่เมื่อเราสมาฐานแล้วเราทําผิดปั๊บสินขาดทันทีท่านไม่มีอนุโลมโอ้เขายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจไม่รู้เข้าใจว่าข้อนี้ห้ามนี้ข้อนี้ห้ามนี้ท่านท่านไม่มียกเว้นเหมือนกฎหมายกฎหมายไม่เคยอนุโลมให้ใครว่าใครอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่มีเอาไปทําผิดกฎหมายปั๊บกฎหมายเล่นงานได้กฎหมายเล่นงานได้ทันที สินก็เช่นเดียวกันในเมื่อเราสมัครใจจะถือสินห้าสิลแปดเนี่ยเราลูกก็ตามไม่ลูกก็ตามเพราะฉะนั้นท่านให้ศึกษากวิการเล่าโฉนามีอะไรบ้างนักจะคีมาลาคืออะไรอ่าไม่ให้ขับร้องไม่ให้ขับประโคมดนตรีไม่เข้าไปดูเขาขับร้องประโคมดนตรีอไม่ให้ลูกไหลทัดส่งด้วยเครื่องบระดับ มาทัดดอกไม้ทาครีมทาหัวน้ำหอมทาอะไรแต่อะไรประดับประดาเขียนปากเขียนคิว้วเขียนเล็บอะไรแต่อะไรไก็ตามก็ตามแต่ถือว่าเป็นการมาลาถือว่านักจะขีมาลาไม่ไม่ฟังดนตรีไม่ประคบดนตรีไม่ร้องเพลงร้องเพลงเองก็ไม่ได้ขับประคบดนตรีเองก็ไม่ได้ เข้าไปดูเขาขับร้องประคมงดนตรีก็ไม่ได้นี่ศินศีลข้อเจ็ดศินข้อเจ็ดเท่ากับสองข้อของเนนน ะ, ะน่าจะคีด้วยมาลาด้วยมาลาก็คือไม่ให้ทัดทรงประดับประดาร่างกายเสื้อผ้าผรอนที่เป็นเครื่องประดับก็ไม่ได้พวกอะไรต่างๆสีสันแสงอะไรอย่างอื่นทาคิ้วทาเล็บทาอะไรก็ไม่ได้ แม้แต่น้ำอบน้ําหอมมาทาร่างกายให้ร่างกายสุดสวยขึ้นมานีก็ไม่ได้นัจคีมาลาสองข้อเท่ากับสองข้อของสินเนนะเพราะฉะนั้ น, ส, นสินแปดเนี่ยเท่ากับเก้าเท่ากับเก้า <c oughs> ข้อของสินเนนของศิลสามเนนนัจคีเขาแยกออกสามเนนนัจคีข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งนัจคีก็คือไม่เข้าไปดูขับร้องประคมดนตรี มาลาคือประดับประดาร่างกายให้สวยงามกิริยาการประดับประดาก็คือกิริยาของคนหลงความหลงประดับประดาให้สวยให้งามแต่ถ้าเรารักษาความสะอาดอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเพื่อกันผลจากการโรคเชื้อโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเอาทาเพื่อนั้นทาเพื่อนั้นไม่เป็นการประดับประดาตัวเองอันนี้ถือว่าไม่ผิดศีลข้อนี้ เดี๋ยวเราทำทาไปแล้วก็หลงตัวเองเพลินตัวเองอ้งามเนาะ ง, งามเนาะ ง, งามเนาะหลงว่างามงามเนาะงามทาไปแล้วทาไปแล้ ว, ลวงามเนาะนุ่งไปแล้วหอมไปอุ้งามเนาะ ง, งามเนาะวิท <c oughs> ยาของคนหลงทําทําไมทําทําด้วยความลุ่มหลง <c oughs> นี่ขิดศีลข้อสุดท้ายศีแลแปดเนี่ย นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีนั่งไปนอนไปแล้วนั่งไปแล้วนอนไปแล้วเนี่ยทําให้สุขสะดวกสบายกิเลสมันก็เข้ามาครอบงำจิตนั่นแหละนั่งสบายสบายสบายตามใจเราอะ่ะร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดนอนสบายสบายตามใจเราร่างกายไม่เจ็บไม่ปวดโอกาสที่จะคิดเห็นโทษเห็นไผไม่มีเนี่ย ท่านจึงไม่ให้นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยับย่นุ่นสําบลีทำให้เราเพลินในการนอนเพลินในการกินเพลินในการนอนเพลินในการตกแต่งร่างกายเพลินในการพูดคุยนี่เพลินในการผิดเพศอเพลินในการลักของเขาเพลินในการฆ่าสัตว์ เห็นกับความสนุกสนานสะดวกสบายเนี่ยสิ่งเานี้เป็นสิ่งผิดศีลสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกระซิบกระซาบในหัวใจของเราเนี่ยถ้าเราตั้งใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวตั้งยังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นตั้งยังไงแล้วก็อยู่อย่างนั้นรักษาศีลมีผลเมียในสองสิ่งเหล่านี้แม้จะของง่ายๆนี่ยของรักษาศีลไม่ยากนักไม่ใช่ธรรมะข้างในธรรมะในใจยิ่งยากกว่านี้อีก โอกาสที่เราจะพยายามทําจิตให้สงบเพื่อไม่ให้ไม่ให้กิเลสมันแทรกเข้ามาเนี่ยภาวนาตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเพลอแป๊บเดียวมันไปไหนก็ไม่รู้แหละมันแทรกเข้ามาแล้วเพลอแป๊บเดียวมันแทรกเข้ามาแล้วเพลอแป๊บเดียวมันแทรกเข้ามาแล้วนั่นแหละนั่นแหละคือพยายามาแท้ๆ แ, แ, แหละกิเลสในใจของเราเองอะ่ะนั่นแหละตัวพยายามานที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเพลอไม่ได้ตัวนี้เพลอไม่ได้ยิ่งกว่าหอกค้างแครอีกนันนี้ าตายง่ายๆตายกับมันง่ายๆรู้อำนาจแก่การผิดศีลได้ง่ายมากๆรู้อำนาจง่ายๆให้กับมันต้องระวังแท้ๆ น, นี่ขนาดศียลยหยาบเราก็ยังรักษาไม่ได้ธรรมะในใจการทําจิตให้สงบนะเพื่อไม่ให้กอเลรมันแทรกเข้ามามันโผล่เข้ามาที่ใจนะยิ่งยากยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ให้ถานให้รักษาศีลแล้วก็ให้ทําจิตให้สงบ แล้วให้พิจารณาเพื่อทำลายความรุ่มหลงทำจิตให้ได้รับความสงบทำไมจิตจึงไม่สงบเพราะกิเลสมันแท่นั่นแหละตั้งใจจะให้มันอยู่กับอารมณ์มันเดียวให้มันไม่ให้มันคิดตามเรื่องของกิเลสไม่กิเลสมันมายุแย่อก่อกวนจิตเนี่ยแล้ให้มันหยุดโดยที่ไม่คิดเลยก็ไม่ได้ท่านเลยให้คิดเรื่องเดียวคิดพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ท, ท, ท่านไม่ม่ให้ไม่ให้หยุดคิดนะ ท่าน like ให้คิดเรื่องเดียวเรื่องพุโทโธพุทโธเพราคิดเรื่องนี้มันไม่เป็นภัยไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยมันไม่ใช่คิดเรื่องกามไม่ไม่คิดเรื่องพยาบาทอ่ไม่ใช่เพื่อไม่ให้คิดเรื่องกามเพื่อไม่ให้คิดเรื่องพยาบาทท่านจึงให้คิดเรื่องเรื่องเดียวคือพุทโธพุทโธพุทโธมีสติกำกับอยู่มีสัมปชัญญะท่านให้คิดทำไมท่านให้ภาวนาทำไมท่านให้ภาวนาเพื่อไม่ให้กิเลมันแทรกเข้ามาเพราะกิเลมันแทรกเข้ามาแล้วจิตมันไม่สงบ เมื่อจิตมันไม่ไม่สงบมันก็ถูกกิเลสดึงเข้าไปลากเข้าไปเอาไปถลุงเอาจิตนี่ไปถลุงยันหมดกิเลสเอาไปถลุงท่านจึงให้เอาธรรมะมาทำมาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้มีอยู่กับอารมณ์เดียวให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันความสุขมันมีความสุขมันมีปีติมันมีความสุขมีความอิ่มเอิบมีความเบิกบานแล้วพื้นฐานของจิตตรงนั้นก็มีกําลังมีพลังที่เรียกว่าจิตมีกําลังจิตมีพลัง ยิ่งเราทําให้สงบไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพลังอัดแน่นเข้าไปอัดแน่นเข้าไปอัดแน่นเข้าไปแน่นจนถึงกันว่าได้ฌานที่หนึ่งได้ฌานที่สองได้ฌานที่สามได้ฌานที่สี่อัดแน่นเข้าไปเลยอันนี้คือกําลังของจิตการที่เราจะไปพิจารณาเพื่อทําลายความลุ่มหลงจากกิเลมันพาเราลุ่มหลงนั้นมันพิจารณาได้ยากถ้าจิตเราไม่สงบท่านจึงให้ทําจิตให้สงบอืมภาวนาให้จิตได้รับความสงบ จิ่มัสงอบอ ย, อยู่กับคําบริกรรมมันก็ได้ผลไว้โลกตาท่านจึงว่าไม่ให้ทิ้งคําบริกรรมไม่ทิ้งคําบริกรรมพุทโธพุทโธยืนเดินนั่งนอนท่านให้บริกรรมเพราะการบริกรรมมันเป็นการสร้างสติสร้างสัมปชัญญะทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีมันเป็นการดรําริเพื่อยกจิตของตัวเองไม่ให้มันหลงเคลิ้มไปกับอารมณ์ของนอกที่เป็นอารมณ์ของกิเลสท่านจึงให้บริกรรม ไม่ทิ้งคำบริกรรมหลวงตาทำไม่ให้ทิ้งคำบริกรรมแต่บริกรรมแต่ปากเฉยๆจิตไม่ได้ผูกพันอยู so ่กับคำบริกรรมอันนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่าแต่ปากเฉยๆจิตไม่สงบอยู่เลยบริกรรมแต่ปากปากก็ว่าไปพุทโธพุทโธพุทโธปากมุกมีบมุกมิบมุบมของภาวนาแต่จิตมันไม่อยู่ก็ยังไม่ถูกท่านให้เอาตัวจิตที่ทัวรมันจะดิ้นไปแหละเอาตัวนั้นแหละมาบริกรรมมนึก เช่นอย่างจิตมันนึกไปเรื่องโน้นนึกเมืเรื่องนี้เนี่ยให้นึกเรื่องที่เราให้มันอยู่นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันนึกถึงบ้านพุทโธพุทโธไม่ให้มันนึกถึงหลานพุทโธพุทโธไม่ม่ให้มันนึกถึงงานพุทโธพุทโธไม่ให้มันนึกถึงจอทีวีพุทโธพุทโธพุทโธไม่ให้มันนึกถึงเสียงเพลงไพเราะเสียงรุกน้ำงามอะไรอะไรสารพัดที่มันคอยแทรกเข้ามาออยู่กับปับันนี้ไม่ไม่ใช่ว่า ปากมุ่มมิบม่มมิบอยู่กับอันนี้แต่ว่าจิตเป็นนึกเรื่องเหล่านั้นมันนัไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราทํามาเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีจิตเราไม่ได้รับความสงบเพราะอะไรก็เพราะอย่างนี้แหละปากมุม่มมบุ่มมิแต่จิตมันนึกไปอย่างอื่นทําไมมันนึกอะ่ะมันไปง่ายมันไปตามกิเลสมันไปง่ายง่ายคาถาของมันเนี่ยมันคลังมากเป่าพรวดเดียวเนี่ยร่วงหมดละอัที่เราจับทํำไมาก็ว่าเนี่ย มันไปตามกิเลสใต้ไต่ตามหลังมันใต่ไต่ไปทั้งวันทั้งคืนวันทั้งวันไม่ได้นึกถึงกุศโลเลยนานหมดเนื้อหมดตัวมันเอาไปถลุงมดหมดวันหมดคืนเอาที่ไหนมาสงบมันสงบไม่ได้ไปเสริมมันทั้งวันกิเลสเอากิเลสมาเสริมมันทั้งวันพูดก็พูดเรื่องกิเลสคิดก็คิดเรื่องกิเลสทําก็ทําเกี่ยวกับเรื่องกิเลสอีกกิเลสบอกิเลสกิเลสเสริกิเลสกิเลสบอกิเลสกิเลสเสริกิเลสก็มีแต่กิเลส มืดมิดปิดห้อยปิดห้วยใจไม่มีอะไรที่จะเป็นช่องช่องว่างช่องโปรงให้กับธรรมะเกิดขึ้นได้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาใจสงบเมื่อสงบแล้วมีกําลังมีกําลังแล้วก็พิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองพิจารณาความหลงหลงอะไรล่ะหลงร่างกายของตัวเองดูที่มีใครบ้างปฏิเสธว่าเราไม่หลงกายของตัวเองมีไหมคนที่ยังไม่เคยผ่านการพิจารณาัละหลงร่างกายของตัวเอง ไม่ยึดกายของตัวเองไม่หลงกายาตัวเองมีไหมไม่มีมีแต่หลงชุดนั้นงามชุดนี้สวยแต่มบนมั้งามแต่มอย่างนี้งามสวยไปหมดงามไปหมดในที่สุดเห็นร่างกายของตัวเองก็หลงเห็นเห็นไหมเขาแต่งสั้นชุดโจ๋อยู่นะเขาหลงขาหลงมือหลงตีนหลงอะไรของตัวเขาเองนะเขาหลงดูไปแล้วก็สวยงาม สวยนะนั่งนั่งเฒ่าเขาามันไม่อยากนงุ่งแหละก็อยากนุ่งอยากอยากปล่อยล่อนจ้อนเดินเพราะว่างามเขาว่ามันงามเห็น ไ, ไหมหลงหรือไม่หลงอะงามทําทุกอย่างทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ทําหลงไหมทาเล็บเนี่ยทาทำใหมถ้าเป็นทายาทาอะไรเพราะกันเชื่อราเชื่ออะไรเออก็ใช้ได้จิ้มคิ้วจิ้ม ปากิ้มอะไรเขาจิมทำไมดูดิถ้าไม่หลงแล้วไปจิ้มทำไ ม, ไ ม, ไ ม, ำไมอะไปทำนูน้นไปทำนี้ไปเสริมสวยหมดเงินหมดทองราคาแพงแพงทำไปทำไมทำไมไม่หลงตัวเองไปทำทำไมนั่นแหละกิริยาต่างๆเหล่านี้กิเลมันพาให้เราทำทั้งนั้นเราตามหลังมันต้อยต่อยเราไม่มีสมาธิที่จะมาพิจารณาเพื่อทำลายความลุ่มหลงองตัวนี้เราไม่มีโอกาสที่จะทำลายได้แหละ ต้องมีสมาธิมีความสงบของจิตเสียก่อนกําหนดจิตให้ได้รับความสงบแล้วก็น้อมมากกำหนดพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาหาดูกายตรงไหนเป็นกายอะถามตรงไหนเป็นกายเราถามถา ม, มันเลยกายเราเป็นผมหรอือเป็นขนหรอือเป็นเล็บหรอือเป็นฟันหรอือเป็นหนังหรอ้อถามมันไปถามไปเรื่อยๆถามไเือพุทธเจ้าท่านสอนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราเอา้า เอาคำของพระพุทธเจ้ามาตั้งไว้เป็นประเด็นเสร็จแล้วเราก็มาค้นหาท่านบอกว่าอัตตาอัตตาท่านบอกว่าอัตตาคือตัวตนเป็นเรื่องของกิเลสท่านบอกว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเสร็จแล้วท่านก็สอนวิธีว่ามันจะเป็นตัวตนได้ยังไงท่านก็แยกมาทีร่างกายนี่ประกอบไปด้วยดินน้ํามลมไฟเราก็มหาพิจนาเอาเป็นดินส่วนนี้เป็นดินส่วนนี้เป็นน้ํา ส่วนนี้เป็นลมส่วนนี้เป็นไฟโอ้พิจารณาจนเห็นว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงๆเพื่อทำลายความล่มหลงไม่งั้นมันล่มหลงทนายพิจารณาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกแยกออกแต่ละอย่างงเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันล่มหลงถ้าเราไม่แยกออกมันเห็นเป็นก้อนเห็นเป็นแท่งสีสันทานสวยงาม โอ้ผมสวยเออหน้างามหูงามตางามคองามผิวงามงามไปหมดมืองามตีนงามอะไรงามไปหมดแต่เราไม่พิจารณามันเห็นว่างามไปหมดอะไรมันพ่าวว่าภาว่างามคิเลสภาวว่างามอือพุทธเจ้าท่านก็สอนให้เราพิจารณามันไม่มีอะไรงามดอกตางามก็ดูไปที่ตาดูกลิ่นจริงๆของตาหูงามมาดูกลิ่นจริงๆของรูหู ปากงามกลิ่นจริงๆของปากดูที่ทวารหนักทวารเบางามดุกลิ่นที่แท้จริงเขาเมันเป็นไงงามงามหรือไม่งามนั่นอ่ะเราศึกษาเพื่อเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปให้ถึงสัจจะต่างๆเหล่านี้มันถึงจะทําลายความล่มหลงได้ไม่งั้นมันก็ล่มหลงอยู่อย่างนี้แหละนี่เราก็พูดตั้งแต่เรื่องพย ม, มานในหัวใจ มาจนถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาพอสังเกตพอรัจับอันไหนได้ก็เอาไปไปทำงานเหล่านี้เป็นงานกรรมฐานเป็นงานทำเพื่อผลประโยชน์ลายได้ก็สู่ จ, จิตใจขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้ง อ, อกตั้งใจทำให้เหมาะสมกับที่เรามีเวลเวลาสละเวลามาอยู่วัดอยู่บ้าไม่ไม่ใช่ว่าถึงกลาววันพระแล้ว ถึงคราวที่เราจะต้องได้ไปเจอหมู่เจอพวกแล้วนั่งจับกลุ่มคุยกันสารพัดสารเพการทําแบบนั้นมันไม่ใช่คนของวัดมันไม่ใช่คนวัดคนวัดต้องคุยเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่พูดไม่คุยได้เป็นดีพูดคุยก็พูดคุยถามเรื่องอดเรื่องธรรมเกิดประโยชน์กับท่านด้วยเกิดประโยชน์กับเราด้วยที่สําคัญที่สุดเราควรสํารวมพระมรรวังข้างไหน การสัมรวมก็คือสัมรวมเพื่อทำงานข้างนในไม่ให้มีโอกาสได้ทำงานข้างในถ้ามาเราโมทัมมาคุยกันเราจะได้อะไรมาภาวนาปากก็คุยกันไปใจก็ภาวนาไปไม่มันไม่ใช่นั่นแหละมันไม่ใช่เราต้องหามุมสงบโตที่นี่เป็นวัดเราควรจะหามุมสงบมุมตรงไหนจะเป็นมุมสงบค น, งนนั้นได้กรดอันนึงก็ไป หามุมสงบตรงนั้นก่อนนั้นได้กลอดอันนึไปหามุมสงบตรงนั้นก่นนั้นไปหามุมสงบตรงนั้นเป็นที่นั่งเออมุมสงบตรงนั้นเป็นที่เดินได้ไปเดินมุมสงบตรงนี้เป็นที่นั่งได้ยังนี้เราได้ประโยชน์เราได้บุญทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ถ้าตรงการข้ามแล้วมันก็พอๆอกับเราอยู่บ้านนั่นแหละมันได้ได้นิดหน่อยเท่านั้นเองพอเราฟังเป็น พอเทียบเคียงเราตั้ง อ, อกตั้งใจมาดิบดีแล้วด้วยกันทุกคนเราก็ตั้งใจทําดีแล้วผลหลายได้ก็เป็นของเราด้วยการทุกคนทุกคนบุญบุญบุญเป็นสิ่งที่เราเรียกร้องหาทุกวันเวลานาทีบุญคือความสุขเอาไว้ให้เราได้รับความสุขได้รับความเจริญสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราฟังแล้วติดอกติดใจ ทำให้เราได้เสียสละบ้าน <c oughs> เสียสละเสียสละบ้านช่องเสียสละภารกิจการงานมาอยู่ในสถานบุญวัดนี่เป็นสถานบุญเมื่อเราตั้งองค์ตั้งใจประกอบให้เหมาะสมกับฐานะที่เรามาอยู่อย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงดอกความเสื่อมเสียความหายนะอะไรนะเราต้องประสบความสุขความเจริญอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตอาแหละจบแค่ตอนนี้แหลนะเนาะ กลับกันแลยตอนนี้ไปกลับ